แต่ว่าในข้อสมนี้ก็ต้องประกอบด้วยทั้งละและทั้งรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นดังกล่าวนั้นและเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปอาศัยสุตะอาศัยกินตาอาศัยภาวนาทั้งสามนี้ ก็ย่อมจะได้ปัญญาที่เป็นตัวความหรือรู้ขึ้นของตัวเองได้ความเห็นขึ้นของตัวเองซึ่งมีคำเรียกอีกว่าญาณทัศนะความรู้ความเห็นรู้เห็นว่าข้อนี้ข้อนี้เป็นอกุศลจริงข้อนี้ข้อนี้เป็นอกุศลละโมลจริง คอนี้คอนี้เป็นกุศลจริงคอนี้คอนี้เป็นกุศลละมูลจริงในการที่จะปฏิบัติประกอบปัญญาในทางทั้งสามดังกล่าวนั้นก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรและอาศัยโยนิโสมนสิการังกล่าวมานั้นประกอบกัน อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นผู้มุ่งจะได้ปัญญาที่เป็นสมาธิธิจึงต้องปฏิบัติตามมงคลสูตรคาถาแรกของพระพุทธเจ้าอยู่ให้เป็นประจำคือไม่เสวนาคบหาคนผ่านทั้งหลาย เทวนาคภาร บ, าบัณฑิตทั้งหลายและบูชาผู้ที่ควรบูชาทั้งหลายเมื่อปฏิบัติอยู่ดังนี้แล้วจึงจะได้กัละยะาณมิตรและเมื่อมีโยนิสมานสิการประกอบอยู่ตลอด ก็ยอมจะ็เจริญปัญญาขึ้นโดยตลอดทำให้เกิดความรู้ของตัวเองขึ้นรับรองว่านี่เป็นอย่างนี้จริงนี่เป็นอย่างนี้จริงตามความเป็นจริงโดยที่จับเหตุจับผลได้ถูกจับได้ว่าอากุศลโมลนั้นเป็นตัวเหตุ ตัวอกุศลนั้นเป็นตัวผลกุศลมูลนั้นเป็นตัวเหตุตัวอกุศลนั้นเป็นตัวผลซึ่งการที่จะจับเหตุจับผลได้ถูกต้องดังนี้ก็เกิดจากโยนิโสมนสิการใส่ใจตั้งแต่ตั้งใจฟังคำสอนของกัลยาณมิตรมาจนถึงพินิษฐพิจารณาขบเจาะ เหตุแห่งผลให้ได้หรือว่าจับผลสาวหาเหตุให้ได้จับเหตุที่จะส่งผลให้ได้นี่แหละคือโยนิโสมนสิการให้ความรู้ของตัวเองบังเกิดขึ้นรับรอง ข้อนี้เป็นความจริงข้อนี้เป็นความจริงและเมื่อใดปัญญาคือความรู้ของตัวเองที่เกิดขึ้นรับรองขึ้นตามเป็นจริงดังนี้จึงจะชื่อว่ามีความเห็นชอบที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงที่เรียกว่าอุชุทิฏฐิทําให้มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในประธรรม โดยตรงก็คือในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าสวาค้าโตภกวตาธมโมธรรมะอันประภูมิรภาคตัดไม่ดีแล้วคือดีจริงถูกต้องจริงงามในเบื้องต้นงามในทรรมกลางงามด้ที่สุดประกาศพรหมจันย์ คือศาสนาคำสั่งสอนที่แสดงความรุ่นรือันประเสริฐพร้อมทั้งอัถะคือเนื้อความพร้อมทั้งพยัญชนะคือถ้อยคำบริบูรณ์คือไม่บกพร่องบริสุทธิ์คือไม่มีผิดพลาดสิ้นเชิงย่อมจะได้ความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรม อันเป็นสวากขาธรรมของพระเจ้าดังนี้และเมื่อเป็นดังนี้แหละจึงจะชื่อว่าได้เข้ามาสู่พระสัตวธรรมนี้ได้เข้ามาสู่พระศาสนานี้ได้เข้ามาสู่พระธรรมวัยนายนี้ถ้าหากว่ายังไม่ได้สัมมาทิฏฐิแม้ในขั้นต้นดังกล่าว จึงยังหาชื่อว่าได้เข้ามาสู่พระธรรมนี้ไม่หาได้ชื่อว่ามีความเรื่มใสที่ไม่วันไหวในพระธรรมไม่เพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อที่ควรปฏิบัติตั้งใจที่จะสดับสนับฟังที่จะเป็นนิพิจารณาที่จะปฏิบัติอบรม เพื่อให้ได้ปัญญาที่เป็นสมมาทิฏฐิดังกล่าวต่อจากนี้เขาขอให้ตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทางความสงบสืบ ต, ต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น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 สำรวมกายว่าจใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั่นดังได้กล่าวแล้วก็คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบท่านพระสาริบุตรได้แสดงสมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบไว้ว่าเห็นอย่างไรเป็นความเห็นชอบและ ยังได้แสดงไว้ต่อไปดังที่จะกล่าวณ บ, บัตนี้คือภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังท่านพระสาธิบุตรอธิบายสมา ธ, ธิดังที่ได้กล่าวว่า แล้วจึงได้ถามท่านต่อไปว่ายังมีอธิบายโดยปริยายคือทางอื่นหรือไม่ท่านราษาริบุตรก็ได้ตอบว่ามี และก็ได้แสดงอธิบายปฏิยายคือทางอธิบายต่อไปอีกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือความรู้จักอาหารรู้จักอาหารสมุทยัย เหตุเกิดแห่งอาหารรู้จักอาหารนิโรธความดับอาหารและรู้จักอาหารนิโรธาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติอัน เป็นทางให้ถึงความดับอาหารคำว่าอาหารนั่นเป็นคำที่ทุกๆคนก็เรียกกันถึงอาหารที่บริโภค เพื่อบำรุงเลี้ยงเพื่อบำรุงเลี้ยงร่างกายแต่ว่าคำว่าอาหารไม่ใช่หมายความถึงเพียงอาหารสําหรับบำรุงเลี้ยงร่างกาย เกียงอย่างเดียวแต่หมายถึงอาหารอย่างอื่นอีกด้วยท่านพระสาริบุตรได้แสดงอธิบายอาหารไว้สี่ประการคือหนึ่ง กวลิงการาหารอาหารคือคำข้าวสผัดสาหานอาหารคือผัตสะสมมโนสังเจตนาหารอาหารคือมโนสังเจตนาความจงใจ และสวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณคัมมาอาหารนั้นตามศัพท์แปลว่านำมาก็หมายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยคือเป็นเครื่องอาศัยที่นำผลมาข้อที่หนึ่งกวลิงการาหารอาหารคือขาข้าวก็หมายถึง อาหารที่บุคคลตลอดจนถึงสัตว์ในฉานทั้งหลายบริโภคเป็นอย่างละเอียดก็มีเป็นอย่างหยาบกม็มียกเอาคำข้าว ขึ้นเป็นที่ตั้งเป็นชื่อเพราะว่าข้าวนั่นก็ถือว่าเป็นอาหารหลักสำหรับที่จะบํารุงเลี้ยงร่างกายฉะนั้น จึงยกขึ้นเป็นชื่อของอาหารสำหรับบำรุงเลี้ยงร่างกายอันหมายคลุมถึงอาหารทุกอย่างที่บริโภคสำหรับบำรุงเลี้ยงร่างกายนี่คือเกาลิงการาหารอาหารคือ ทำข้าวข้อที่หนึ่งข้อที่สองผัดสาหารอาหารคือผัดสะหมายถึงอายจตนะภายในอายจตนะภายนอกและวิญญาณ มาประชุมกันเรียกว่าสัมผัสหรือผัสสะอันแปลว่ากระทบเป็นอาหารแห่งนามธรรมา ท, ทั้งหลาย คือแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารและแห่งบิญญาณเองเองที่เกิดซืบต่อไปกวลิงการอาหารอาหารคือคำข้าวข้อแรกเป็นอาข้งรูปประธรรม คือร่างกายส่วนรูปผัสสาหารอาหารคือผัสสะหรือสัมผัสเป็นอาหารของนามธรรมาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดสืบเนื่องกันไป พัฒนาอาหารอาหารคือภัฒนะข้อที่สองนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ว่าคือความประชมของอาจันะภายในอาจันะภายนอกและวิญญาณ โดยที่เมื่อตากับรูปประจวบกันก็ยังเกิดวิญญาณคือความรู้ในรูปที่เรียกว่าเห็นรูป อันการเห็นรูปดังที่พูดกันก็มักจะพูดกันว่าเห็นรูปด้วยจักสุคือตาแต่เมื่อแสแดงตามทางอภิธรรม ท่านแสดงว่าเห็นรูปด้วยจักรสุวิญญาณคือความรู้รูปทางจักรสุตานั้นเป็นเพียงประสาทสำหรับเป็นที่อาศัย รับรูปที่มาประจบกันเท่านั้นถ้ายังไม่เกิดจากขู่วิญญาณการเห็นรูปก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเกิดจากขู่วิญญาณ วิญญาณทางตาก็คือรูปรูปทางตาที่เรียกกันว่าเห็นรูปเพราะฉะนั้นการเห็นรูปจึงไม่ใช่เห็นด้วยจักหุหรือจักสุแต่่าเห็นด้วยจักสุวิญญาณ เมื่อพูดตามธรรมดาก็พูดว่าเห็นรูปดนจักสุแต่เมื่อพูดตามทางอภิธรรมก็จะต้องพูดว่าเห็นรูปดนจักรสุวิญญาณแม้ในอาจารณะข้อต่อไปก็เช่นเดียวกัน โอกับเสียงมาประจบกันก็เกิดโสตวิญญาณได้ยินเสียงจมูกกับกลิ่นมาประจบกันก็เกิดคานวิญญาณรู้กลิ่นทางจมูกลิ้นกับรสมาประจบกัน ก็เกิดชิวหาวิญญาณรู้รสทราบรสทางลิ้นกายกับผลธระสิ่งที่กายถูกต้องมาประจบ ก, กันก็เกิดกายวิญญาณรู้สิ่งถูกต้องทางกายมโนคือใจกับธรรมะคือรเรื่องราวมาประจบ ก, กันก็เกิดมโนวิญญาณ รู้เรื่องที่ใจคิดทางมนโนคือใจนี่เป็นปกติของอาจรณะภายในภายนอกและวิญญาณทางอาจรณะทางหกนี้ ซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นปกติแก่ทุกๆคนทุกๆเวลาและเมื่อทั้งสามนี้คุมกันจึงเรียกว่าเป็นสัมผัสที่แปลว่าความกระทบหรือเรียกสั้นว่าผัสสะ และผัสสะหรือสัมผัสดังกล่าวมานี่เองเป็นอาหารของนา ม, มา ร, รมทั้งหลายคือของเวทนาของสัญญาของสังขารและของวิญญาณที่เกิดสืบจากสังขารเพราะฉะนั้นตามอธิบายนี้ วิญญาณยังบังเกิดขึ้นในเมื่ออายิตตนาภายในอายิตนะภายนอกมาประจวบกันก็เป็นวิญญาณขึ้นตามอ่างตามทางอายาิตนะและ เมื่อทั้งสามมาประชุมกันเป็นสัมผัสจึงเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารและก็เกิดวิญญาณสืบต่อกันไปอีกเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงมากรงที่เมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกประโจ ก, กันนั้น ผลหนึ่งและเมื่อมาประชุมกันเป็นสัมผัสจะก็เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารและก็เป็นวิญญาณขึ้นอีกวิญญาณก็มาบังเกิดขึ้นสืบจากสังขารอีกครั้งหนึ่ง และก็มาเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารล้วก็เป็นวิญญาณก็วนกันไปอยู่ดังนี้ในอารมณ์ทั้งหลายที่จิตนี้รับเริ่มมาจากทางอาญตนะ ซึ่งเป็นฝ่ายรูปแล้วก็มาเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันประกอบย่อเข้าเป็นรูปเป็นนาม รูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามรวมเป็นขันธ์ห้าย่อก็เป็นรูปเป็นนามอันเรียกว่านามมารูปนี้จึงเป็นสิ่งที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ถือกําเนิดเกิดก่อขึ้นในขันธ์ของมารดาแต่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่จนเมื่อ ในคลอดออกมาจึงมีความสมบูรณ์แต่แม้เช่นนั้นก็ยังอ่อนเมื่อเติบโตขึ้นจึงเจริญขึ้นสมบูรณ์ขึ้นจนมีความสมบูรณ์เต็มที่ ดังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตของบุคคลที่เติบโตขึ้นตั้งแต่เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นความสมบูรณ์ของขันห้าขึ้นมาโดยลำดับดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อ ส่วนรูปมีความสมบูรณ์ส่วนนามก็สมบูรณ์ดังเช่นเมื่อตาหูจมูกเล่นกายมณะคือใจสมบูรณ์จึงรับ อาจตนะภายนอกต่างๆได้ฉับพลันคล่องแคล่วว่องไววิญญาณที่บังเกิดขึ้นสัมผัสที่บังเกิดขึ้นสืบมาถึงเวทนาสัญญาสังขารเมื่อต่อไปวิญญาณอีก ครบสมบูรณ์ฉับพลังและตรงนี้ก็น่าที่จะต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าในขันห้านั้นไม่จัดใส่วิญญาณกับสัมผัส ที่บังเกิดขึ้นในช่วงนี้เข้าไว้จัดรูปเป็นที่หนึ่งแล้วก็มาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อท้ายตัดเอาวิญญาณกับสัมผัสที่บังเกิดขึ้นในระหว่างรูป กับเวทนาเสียถ้าหากว่าจะใส่ไว้ด้วยก็ไม่ใช่เป็นขันห้าจะต้องเป็นขันหกขันเจ็ดแต่นี่ไม่ใส่ไว้ตัดเอาเวเอวิญญาณกับเวกับสัมผัสที่บังเกิดขึ้นในช่วงนี้ออกเสียจึงเป็นขันห้า แสดงวิญญาณไว้ข้างท้ายเท่านั้นพิจารณาดูก็เพื่อสะดวกเป็นวิปัสนาภมูมคือเป็นภูมิแห่งวิปัสนาคือเป็นกรรมฐานสำหรับวิปัสนาในอันที่จะกำหนดพิจารณาให้ รู้ให้เห็นได้สะดวกเรื่อรูปนั้นก็เป็นของหยาบพิจารณาได้สะดวกปัญญาก็นับว่าเป็นนามธรรมที่หยาบบังเกิดขึ้นทั้งทางกายทั้งทางใจจึงมาเป็นที่สองจึงมาถึงสัญญาถึงสังขาร